ทวนมาใหม่นะว่าท่านมีเน่คัมัทยาสัยมีอัธยาศัยโดยการออกจากเช่นมีอัธยาศัยที่จะออกจากอบายเป็นต้นโดยส่วนเดียวทีนี้ขณะต่อไปท่านมีวิเวกัทยาสัยอันนะอัธยาศัยของท่านเป็นผู้ที่น้อมไปเพื่อกายะวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกมนะีกายะวิเวกมีไหมถ้าไปดูเด็กสักสองสามพันคนอยู่รวมกันเนี่ยนะมอยากอยากมีกายะวิเวกเลยใช่ เห็นคุณของกายยาวิเวกอันนี้เล่าให้ฟังเออ น, นี่นะดีนะเขามาบอกว่าเออเห็นเห็นเด็กบอกเออเยอะๆนะเป็นพันๆคนนี่ก็ไม่น่าหนักใจถ้าเทียบกับถ้าเราต้องอยู่กับฝูงสัตว์อบายเป็นพันๆเลยเนะี่ยทําใจยังไงอยู่กับพึ่งพันหนึ่งก็อยู่กับคนพันหนึ่งเด็กๆคนพันคนก็ไม่เดือดร้อนเท่ากับพึ่งพันตัวอะไรเนี่ยนะนะถ้าเทียบไล่สูงๆสูงๆขึ้นไปเนี่ยนะนะโอ้ดีกว่าเยอนะเนะนี่ยนะท่านอัธยาสายจึงน้อมไปเพื่อวิเวกเห็นโทษของความ คลุกคลีโดยประการทุงปวงเข <K _ d ata> าบอกว่าอะไรรู้ไหมทำไมความคลุกคลีจึงมีโทษบอกว่าสารพัดปัญหาก็เกิดจากการคลุกคลีเ <K _ d ata> มื่อมีการประชุมกันแล้วมิจฉาวาจาเป็นต้นก็ตามมาตามมาด้วยมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะแล้วก็มิจชฉาชีวะบานเบอร์เลยก็เนื่องจากการสมาคมโดยเฉพาะการสมาคมร่วมกับคนพานทั้งหลายเนี่ยมีโทษมากท่านจึงมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อ วิเวกทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าสมาคมกับคนพาลเมื่อไหร่เริ่มต้นด้วยมิจฉาวาจาเมื่อมิจฉาวาจามีกำลังก็ตามด้วยมิจฉากรรมันตะเมื่อมิจฉากรรมันตะพอยัางพอก็มิจฉ า, าชีวะมันการสมาคมกับคนพาลเป็นต้นจึงเลวร้ายท่านท่านจึงมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อวิเวกวิเวก นี่ต่อไปอัธยาศัยอันสุดท้ายก็คือวัตตะเนี่ยนะนิสรณัธยาศัยอัธยาศัยที่จะออกจากวัตตะสลัดจากวัตตะโดยประการทั้งปวงเพราะเห็นว่าวัตตะเนี่ยนะถึงจะอะไรนะพบถึงจะประเสริฐแค่ไหนมันก็ไม่เที่ยงเป็นที่สุดจะเกิดในเรียกว่าจะได้สิ่งใดที่ประณีตที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็มีความสลายเป็นที่สุดเนี่ยนะก็ยังว่าความงามก็มีความไม่งามเป็นที่สุด นะดอกไม้ที่ผมมาเคยชอบดอกไม้ประเภทเนะี่ยไม่บอกชื่อหรอกเฮเราก็บอกว่าอู้ยทําไมดอกไม้นี้มันงามมากในความรู้สึกของเราเนะี่ยไม่เห็นมีดอกอะไรที่มันงามเท่าดอกนี้เลยแล้วก็ดูที่ยอดเสร็จแล้วก็ดูข้างล่างไอ้มันก็ไอ้ดอกกลีดประเภทเดียวกันนี่กรอดเกลื่อนเลยนะเกลื่อนแล้วก็ใจนี่น้อยเลยนะบอกเอาไหมไอ้ดอกที่มันเคยงามนั่นแหละที่มันเ้าอยู่ข้างล่างเอาไหมบอกไม่เอานะก็เห็นแล้วว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ย เาะทุกอย่างก็มีความคลายไปเป็นที่สุดเคยเห็นสิ่งใดที่จะจีรังยั่งยืนและมั่นคงไหมก็ไม่มีพราะอัธยาสายเขบอกว่าสิ่งใดที่เขาเรียกว่าดีแต่สิ่งนั้นก็มีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดอย่างแม้กระทั่งฌานในจิตทั้งหลายบอกว่าดีไหมดีแต่ถ้าวัตถุและอารมณ์แปรไปฌานทั้งหลายจะดํารงอยู่ได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะฌานทั้งหลายก็ต้องเกิดโดยอาศัยวิบากกับ กรรมชโรคถ้าชานในในรูปประพบทั่วทไปต้องอาศัยวัตถุแล้ววัตถุยั่งยืนไหมเมื่อวัตถุไม่ยั่งยืนแล้วชานจะมั่นคงไหมเป็นต้นก็เห็นถึงความไม่มั่นคงของชานทั้งหลายนั้นอัธยาศัยจึงน้อมไปเพื่อจะออกจากกรรมวัดวิปากวัดและกิเลสวัดโดยส่วนเดียวเพราะเห็นพิษภัยทุกโทษของกรรมวิบากและกิเลสทั้งหลายดงั้นอัธยาศัยของพระองค์จึงเป็น นนนิสรณัตทยาสัยสรว่าอัธยาศัยหกหนึ่งอโลพัทยาศัยสองอโทสัตทยาสัยสอะโมหัตทยาสัยสีเนคขมัตทยาสัย5วิเวกัทยาศัยหนิสรณัตทยาศัยเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าอโลพัทยาศัยอโลภาอะตัวนั้นนี่แปลว่าศัตรูเนี่ยนะเพราะน์อะโลภา t h i จึงเป็นศัตรูข่าศึกของ โลภะอโทสะเป็นฆ่าศึกศัตรูของโทสะอโมหะเป็นฆ่าศึกศัตรูของโมหะพั้นแสดงว่าโดยปกติพื้นฐานแล้วอัธยาศัยเพื่อกำจัดราคะเพื่อกำจัดโทสะเพื่อกำจัดโมหะกำจัดการคลุกคลีน้อมไปเพื่อจะออกจากวัตฏะเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าอัธยาศัย6ประการทีนี้คุณธรรม7ประการ คุณทํา7ประการของพระองค์คืออะไร น, นะโดยพื้นฐานเลยก็คือปฏิญญา7ประการใช่ไหมท่านรักษาปฏิญญาทั้ง7ประการของท่านได้เป็นอย่างดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนียนะเขเรียกว่าเป็ น, เ ป, นเป็นตถาคตเลยเป็นคำที่มาใช้แทนคาว่าตถาคตเลยก็คือเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยอะ เราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยปกติเนี่ยนะหมายคําว่าถ้าท่านจะข้ามทุกใดทุกหนึ่งท่านก็บอกว่าเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยวิมุติคือเราหลุดพ้นแล้วด้วยวิมุติทั้ง5้าเราก็จะให้ผู้อื่น<ม>หลุดพ้นจะด้วยวิมุติทั้ง5้าตามด้วยเราฝึกแล้วฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจหรือว่าฝึกกายฝึก เรียกว่าฝึกก็คืออบรมนะอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นต้นเราฝึกมีการฝึกมีการอบรมเจริญเสร็จแล้วเราก็จะฝึกผู้อื่นด้วยเราสงบทุกทั้งปวงแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเรานิพพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นนิพพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยพันสิ่งที่ท่านทาทุกประการก็อยู่บนหลักการอันนี้ บารมีสิที่ท่านทำเนี่ยนะอยู่บนหลักการว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเรานิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นนิพพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วเราจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองดูพระพักพระพุทธรูปเมื่อไหร่เราก็ย้อนระลึกถึงอัธยาสัยทั้งเรียกอะไรนะปฏิญญาทั้ง7ประการ ในอดีตที่พระองค์สั่งสมมาขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่มีอัธยาศัยอย่างเดียวนะยังมีการปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ปฏิญญาทั้งหมดทุกประการานะแต่ว่าคุณธรรมอีกอันหนึ่งที่พระองค์เนี่ยนะปฏิบัติอยู่โดยปกติอัธยาศัยของพระองค์ก็คืออัธยาศัย8หรือเคราะห์ขอไปอคุณธรรม8ประการที่มีอยู่ประจําตัวก็คือมหาปริวิตกเป็นความนึกคิดของมหาบุรุษ รีกว่ามหาปริสวิตก8มหาบุรุษการตรึกเยี่ยงมหาบุรุษทั้งหลายเพราะมหาบุรุษตรึกอยู่เสมอว่าโพธิญาณการตรัสรู้มรรคผลของพระองค์เนี่ยนะเป็นธรรมที่เป็นของผู้มักน้อยไม่ใช่มรมา ก, มากเป็นของผู้สันโดษไม่ใช่สั่งสมเป็นคุณธรรมของผู้ไม่ไม่คลุกคลีไม่ใช่เป็นของคนคลุกคลเเีเป็นธรรมของผู้ปรารบความเพียรไม่ใช่ เกียรคร้านเป็นธรรมของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่หลงลืมสติเป็นธรรมของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ไม่ใช่เลื่อนลอยใช่ไหมไม่ใช่จิตใจเลื่อนลอยเป็นธรรมของผู้มีปัญญาไม่ใช่เป็นของผู้ไม่มีปัญญาเป็นธรรมของผู้ปรารถนานิพานต้องการนิพานไม่ใช่ต้องการสังขารเนี่ยนตัวนี้ครั้งเรียกว่ามหาปริสวิตกแปดประการหนึ่ง มักน้อย2 ส, สันโดษ3ามไม่คลุกคลีสปรารบความเพียร5สติหสมาธิเจปัญญาสุดท้ายปรารถนานิพพานเนี่ยนะก็จริงย่อลงมานะสิ่งเหล่านี้ก็คืออินรี่หย่อลงมาอีกก็เหลือสัจจะสองคือนิโรสัจจะกับมัคสัจจะนั่นเองเพราะั้นโดยรวมๆแล้วท่านตรึกเพื่อนิโรสัจจะกับเพื่อมัคสัจจะเท่านั้นแหละ อันนี้เรียกว่าเป็นความตรึกของท่านท่านตรึกอยู่ใน8ประการนี่แหละโดยรวมๆของท่านสิ่งที่ท่านนึกสิ่งที่ท่านคิดอยู่เสมอเป็นชีวิตจิตใจของท่านคือคิดถึงเกี่ยวกับความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรมีสติตั้งมัน่นมีใจตั้งมัน่นมีปัญญาน้อมไปเพื่อพระนิพพานอันนี้เรียกว่าทำแปประการส่วนคุณธรรม9ประการของพระองค์คือพระองค์เป็นผู้ที่สร้างฐาน สร้างฐานอะไรนะทำมีโยนิสโสเป็นมูล9 <c oughs> คือทุกอย่างพระองค์ต้องโยนิสโสมรสิการได้หมดโยนิสโสทุกประการทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกทวารเพื่อโยนิสโสเป็นเหตุให้เกิดปราโมทปราโมทเป็นเหตุให้เกิดปีติปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทําให้เกิดสุขสุขทําให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยถาภูตยานทัศนะยะฐานะ ภูตยานทัศนาเพื่อนิพิทานิพิทาเพื่อวิราคะทวนอีกครั้ง น, ะนั้น1โยนิโส2ปราโมทสามปีติ4ปัสปสติห้าสุขหสมาธิ7ยถาภูตญ า, านทะัศนาแนิพิทาเก้าวิราคาพันกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านี้มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลเก้าพันธ์ท่านต้องโยนิโสมนสิการในทุกหนทุกแห่งทุกทวารทุ ก, ท ก, าทกอารมณ์ เรียกว่าสร้างฐานให้แก่ตัวเองตลอดเวลาสร้างฐานคือโยนิโสมนัิการเพื่อคุณธรรมคือโลกุตตรธรรมต้องต้องมองแบบอะไรนะเคยเห็นการก่อสร้างเจดีองค์ใหญ่ๆไหมเจดีย์ใหญ่ๆเลยนะเท่าเช่ JD นเจดีคนครปฐมเนี่ยนะเจดี JD เหล่านั้นเกิดจากอะไร mm hmm. ก็เกิดจากทรายเม็ดเล็กๆนั้นอะมากองรวมรวมกันนี่แหละจนกว่าจะได้เป็นเจดีชั้นสูงชั้นใดฉะนั้นฐานการวางทรายแต่ละเม็ดเพื่อเพื่ออะไร เพื่อยอดเจดีเนี่ยนะเพื่อยอดเจดีพันทรายทุกเม็ดฉันใด่พันมองทรายทุกเม็ดเป็นเหมือนกับโยนิโส ม, มนสิการมุ่งเพิ่มพูนเพื่อความเพราะภัยบูญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะท่นก็เมื่อใดที่เราจะมองเห็นว่าการเจริญกุศลเหมือนกับการกุศลแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เหมือนกับอิฐเหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายที่มาเรียงตัวกันขึ้นเพื่อสร้าง เจดีในใจของเราเนี่ยนะสร้างองค์เจดีจนถึงเรียกว่ายอดเจดีคือมรรคผลเนี่ยนะอริยมรรคอริยผลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นทุกอย่างต้องโยนิโสมนัสการเพื่อการเจริญงอกงามแห่งกุศลชั้นสูงอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมหมวด9ของพระองค์ส่วนคุณธรรมหมวด10ก็คือมีอัธยาศัยในกุศลกรรมบทส0มีอัธยาศัยใน บุญยะกิริยาวัตถุ10แล้วก็มีอัธยาศาัยในบารมีสิเนี่ยนะพราะนั้นพระองค์เนี่ยอยู่ณนะที่ใดพบใดก็มุ่งไปเพื่อจะเจริญกุศลกรรมบท10วิธีคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคิดว่าทำยังไงที่จะไม่ฆ่าคิดทำยังไงจะไม่รักทำยังไงจะไม่ ประพฤตผิดในกรรมทำยังไงไม่ต้องเป็นคําเทพทํำยังไงจะได้คนจะได้ไม่สอเสียจะได้สมัครสมานสามา ก, กีกันทํำยังไงคําเหล่านั้นจะไม่เป็นคําที่หยาบทํำยังไงจะเป็นไปเพื่อพูดถ้อยคําที่มีประโยชน์น้อมไปเพื่ออภิอนะพิชาอัพยาบาศและสัมมาทิฏฐิเพราะโดยรวมๆพื้นฐานอัธยาศัยก็อยู่ในกุศลกรรมบท10ประการหรือในที่ทุกแห่งก็น้อมไปเพื่อบุญญกิริยาวัตถุสิ บุญยักกิริยาวัตถุ10ก็คือทานเศียภาวนาการอ่อนน้อมการช่วยเหลือกิจผู้อื่นการแบ่งบุญเรียกว่าอุทิศส่วนบุญการอนุโมทนาบุญการแสดงธรรมการฟังธรรมและสุดท้ายทำความเห็นให้ตรงนั่นะนะมันโดยพื้นฐานก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญยักกิริยาวัตถุ10แล้วก็น้อมไปเพื่อเพิ่มพูนบุญยักกิริยาวัตถุสิบประการเนี่ยนะ แล้วก็อีกในหนึ่งก็คือที่เราคุ้นเคยอยู่ที่กําลังศึกษาอยู่ตอนนี้เน้นพิเศษคือบารมี10ประการนะก็คือตั้งมั่นอยู่ในบารมี10ประการทานศีนเนฆคัมมะเป็นต้นนั้นการเรียนช่วงนี้ของเราเน้นพิเศษคืออะไรนะทานบารมีทานบารมีทานะ บ, บารมีของพระองค์ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นการให้แบบมอบความเท่าที่ฟังมามีอะไรที่ท่านยังไม่ได้ให้มัง่งนะไม่มีใช่ไหม มีการให้ข้าวของตั้งกัดของเล็กของน้อยเรียกว่าของเหล่านั้นของที่จะให้อย่างที่เดี๋ยวต่อไปก็จะรู้ก็คือให้อะไรให้วัตถุทาน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัี่เนี่ยนะจีวอนเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือน้อมเพื่อจะให้รูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพและธรรมารมทั้งหลายน้อมไปเพื่อจะให้ข้าวให้น้ําผ้ายวดยานพานะระเบียบดอกไม้ของหอมประทีบโคมไฟเป็นตน้นหรือน้อมเพื่อที่จะให้ราชสมบัติน้อมไปเพื่อที่จะให้บทให้ภริยา น, น้อมไปเพื่อจะให้ อวัยวะทั้งหลายน้อมเพื่อที่จะให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยนะสรุปว่าให้ได้ทั้งหมดไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้อย่างแม้กระทั่งชาติที่เป็นกระต่ายเนี่ยยกมาเป็นอุกฤษว่าท่านให้ชีวิตเป็นทานนี้พญากระต่ายเนี่ยนะทวนมาที่สาบัณฑิตจริยาที่10ที่บอกว่าพยากระต่ายนั้นท่านมีเพื่อนอยู่ทั้งหมดรวมเป็นีเรียกว่ามีอยู่4ท่านด้วยกันหนึ่งหนึ่งใครหนึ่งกระต่ายสอง ลิงสสุนัขกยกิ่ยงจอกแล้วก็สนาคนาคเนี่ย น, นะนาค ก, ก็คือนาคกลุ่มคล้ายๆชมด่ะนะคล้ายๆเป็นนาคคล้ายๆกลุ่มแมวน้ำอ่ะนะคล้ายๆแบบนั้นนะ่ะมีน า, ามีเพื่อนเหล่านั้นขนาดนั้นก็ยังสอนเพื่อนนะกิรเิะะยนะปปเยกัลยาณป่าปเกสอนเพื่อนให้รู้จักเพื่อนเนี่ยสอนเพื่อนให้เว้นบาปแล้วก็สอนเพื่อนให้ประพฤติในบุญ <presentations> คือสอนเพื่อนว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากบาปเหล่า <Deep> น <estens S 2> ี <separating> ้นะสอนเพื่อนทั้งหลายจงเว้นจากการฆ่าเพื่อนทั้งหลายจงเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เพื่อนทั้งหลายเว้นจากการประพฤติผิดในการมเพื่อนทั้งหลายจงเว้นจากการพูดเท็จเพื่อนทั้งหลายเว้นจากําพูดส่อเสียดให้เขาร้าวรานกันเพื่อนทั้งหลายให้พูดอยู่ในนะพูดคำไม่ไม่หยาบเพื่อนทั้งหลายจงพูดในถ้อยคาที่เป็น ประโยชน์ประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าเป็นต้นแล้วก็เพื่อนทั้งหลายจงเจริญอนาพิชาเพื่อนทั้งหลายอย่าพยาบาทเพื่อนทั้งหลายก็จงดํารงมั่นอยู่ในสัมมาธิฏฐิมันก็สอนเพื่อนให้ออกจากอกุศลกรรมบท10ประการเพราะว่าอกุศลกรรมบท10ประการที่ล่วงแล้วกรรมเหล่านี้ให้ผลเดือดร้อนในชาตินี้เดือดร้อนในชาติหน้าแล้วก็เดือดร้อนอีกหลายชาติต่อๆไปเพื่อนทั้งหลาย กัลยาเนียินิวิสถะนะท่านบอกว่าจงปฏิบัติในกัลยาณกรรมเนี่ยอภพินิเวสะเนี่ยนะถ้าเป็นที่อื่นนี่แปลว่ายุตเลยนะอภพินิเวสะเนี่ยนะแปลว่าการยุตเพราะฉะนั้นเพื่อนทั้งหลายจงวุดจงยึดมั่นปฏิบัติถืออยู่ในคุณงามความดีจงยึดมั่นในทานจงยุดมั่นใน ศีลจงยึดมั่นในภาวนาทั้งสมถะและวิปัสนาจงยึดมั่นในการอ่อนน้อมจงยึดมั่นในการช่วยเหลือกิจการงานผู้อื่นจงยึดมั่นในการอุทิศส่วนบุญจงยึดมั่นในการอะไร น, นะอนุโมทนาบุญจงยึดมั่นในการฟังทาจงยึดมั่นในการแสดงตามจงยึดมั่นในทําความเห็นให้ตรงปรับทัศนคติให้ตรงให้ดีและให้ถูกต้องตามเป็นจริง ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในกรรมดีนี้ด้วยความเป็นผู้มีกายวาจาใจของตนให้อยู่เฉพาะหน้ า, านะเรียกว่าคุณงามความดีบุญกิริยาวัตถุ10ประการเหล่านี้จงตั้งมั่นอยู่ในทวารกายวาจาและใจให้กายวาจาใจเนี่ยเป็นไปกับบุญกิริยาวัตถุ10ประการเหล่านี้จงยึดถือปฏิบัติให้ดํารงมั่นให้ดีๆพระโพธิสัตว์แม้จะเกิดในกําเนิด ในเดรฉานอย่างนี้ก็เป็นผู้มี ก, ก็เป็นการยาณมิตรทาตัวเป็นการยาณมิตรแนะนําสั่งสอนโอวาทบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้แก่เพื่อนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะท่านมีญาณสัมภาระใช่ไหมท่านมีญาณสัมภาระนะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าหมวดหนึ่งคือกรุณาหมวดสองคือ บุญและญาณหมวด3คือสุจริญสมหมวด4คืออธิฐานธรรม4พุทธภูมิ4หมวด5คือเจริญอินทรีย์5หมวด6ก็คือมีอัธยาศัย6หมวดเท่านมีปฏิญญา7หมวด8ท่านมีมหาปริสวิตตก8หมวดเก้าหมวด8คือมหาปริสวิตก8หมวด9คือท่านมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9หมวด10ท่านมีกุศลกรรมบท10มี บุ ญ, ญากิริยาวัตถุ10แล้วก็มีบารมีอีกประการไอความที่ท่านสั่งสมคุณงามความดีโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยปัญญาท่านจึงเกิดเป็นเดรัจฉานก็สามารถที่จะให้โอววาสแก่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันนะนะั้นตามกาลเวลาสัตว์ทั้งสามเหล่านั้นรับโอวาสของพระโพธิสัตว์แล้วก็เข้าไปสู่ที่อยู่ของตนเมื่อการผ่านไปอย่างนี้ พระโพธิสัตว์มองดูอากาศเห็นพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงกับกระต่ายเนี่ยนะคู่กันใช่ไหม mm hmm. กเรียกว่ากระต่ายชมจันทร์นะนั่นพระจันทร์เต็มดวงกับกระต่ายนี่ถือว่าเป็นของคู่กันก็เลยสอนเพื่อนว่าเพื่อนเอ้ยจงรักษาอุโบสถพวกท่านจงรักษาอุโบสถที่พระองค์ตรัสว่าเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถจึงบอกแก่สหายเหล่านั้นว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านทั้งหลาย จงตระเตรียมทานทั้งหลายเพื่อให้แก่ทักขินายบุคคลครั้นให้ทานแก่ทักขินายบุคคลแล้วจงรักษาอุโบสถนะนี่เรียกว่าสอนวิธีการปฏิบัติในวันอุโบสถเลยนะทานานิปฏิยาเทถะท่านทั้งหลายจงเตรียมทานทั้งหลายไว้เถิดอุปวัสสะคือจงทําอุโบสถคือจงรักษาอุโบสถนะนีถามว่าทำไมจึงให้รักษาอุโบสถเพราะการตั้งอยู่ในศีลแล้วให้ทาน ย่อมมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากดังนั้นคนที่จะให้ทานเนี่ยนะจะให้ทานทานที่มีผลมากอ น, นิสงฆ์มากต้องแต่งใจของเราเองให้ดีๆก่อนแต่งฐานของใจด้วยการสมาทานศีลให้จิตดำรงมั่นอยู่ในศีลดำรงมั่นอยู่ในอภัยทานผู้ที่ดำรงมั่นมีจิตอยู่ด้วยอภัยทานน้อมไปเพื่อวัตถุทานวัตถุทานนั้นจะเป็นวัตถุที่มี ผลมากมีอันนี้สองมากให้เรียกว่าแต่งใจของตัวเองให้เป็นบุญให้เป็นฐานที่ยอดเยี่ยมเสียก่อนแล้วค่อยทำบุญเพราะฉะนั้นเมื่อยาจกมาถึงพึงแจกอาหารที่พวกท่านควรเคี้ยวแล้วค่อยกินนะถ้าหากว่าก่อนจะบริโภคเองควรให้ทานเสียก่อนเตสาทูติสัตว์เหล่านั้นรับโอวาทของพระโพธิสัตว์ด้วยศีรษะเรียกว่า ก็เชื่อฟังอย่างดีนะแล้วก็อธิษฐานอุโบสถนั้นก็แสดงว่าผู้ที่สั่งสมบุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มาในอดีตชาติบุคคลเหล่านี้จริงๆก็เคารพมาตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วสัตว์เหล่านั้นนะพูดถึงสัตว์ตัวแรกก่อนคือลูกนาคลูกนาคนี้ไปที่ฝั่งแม่น้ำแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าเราจะาหาอาหารครั้งนั้นพรานเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้เจดตัว เอาเถาวันร้อยไว้แล้วก็หมกไว้ด้วยทรายที่ฝั่งแม่น้ำก็ไปหาปลาต่อไปตกลงไปทางใต้กระแสน้าก็เรียกว่าเที่ยวหาปลาลงไปเรื่อยๆๆๆ เ, เ, เ, เนี่ยนะลูกนาะคสูดกลิ่นปลาแล้วก็คุยทรายเห็นปลานั้นก็ออกมาประกาศ3ครั้งว่าปลาเหล่านี้มีเจ้าของไหมมีเจ้าของไหมมีเจ้าของไหมเมื่อไม่เห็นเจ้าของก็คาบที่เถาวันนี่แหละวางไว้ที่พ่มไม้ อันเป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันควรอย่างนี้แล้วก็นอนนึกถึงศีลของตนเพราะวันนั้นเป็นวันอุโบสถเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนาคที่ฉลาดตั้งอยู่ในโอวาทของพยากระตายแม้สุนัขจิ้งจอกก็เที่ยวหาอาหารเห็นเนื้อย่างสองชิ้นเฮียอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะก็คือเรียกว่ากลุ่มตะกรวดนะตะกรวดตะกรวดย่างอีกตัวหนึ่งหม้อนมส้มอีกหม้อหนึง่งที่กระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่ง ประกาศสามครั้งว่าอาหารเหล่านี้มีเจ้าของไหมครั้นไม่เห็นเจ้าของก็เอาเชือกผูกที่หม้อนมสม้มคล้องคอคาบเนื้อย่างแล้วก็ตะกรวดที่วางไว้ที่พุ่มไม้ในที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันควรก็นอนนึกถึงศีลของตนนะเดี๋ยวถึงเวลากินแล้วค่อยกินนะอธิษฐานอุโบสถรักษาอุโบสถ แม่ลิงก็เข้าไปในป่านําผลมะม่วงมาวางไว้ที่พุ่มไม้เป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันสมควรนอนทึกถึงศีลของตนสัตว์ทั้งสามก็คิดว่าโอ้ผู้ขอจะเพึงมาในที่นี้ไหมเนอะเนี่ยนะตรเนึกถึงยาจกคือผู้ขอผู้สแสวงหาอาหารคิดว่าจะมีใครมาไหมเนอบัดนี้เราสมาทานศีลแล้วก็น้อมไปเพื่อที่จะให้ทานดังที่พระองค์ตรัสว่า สหายเหล่านั้นรับคำของเราว่าสาทุแล้วก็ได้ตระเตรียมทานต่างๆ ต, ต, ตามสติกาลังแล้วสแสวงหาทักิณายาบุคคลฝ่ายพระโพธิสัตว์ออกในเวลาอันสมควรคิดว่าเราจะกินหญ้ามีหญ้าแพรกเป็นต้นนอนที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเมื่ อ, อยาจกทั้งหลายมาหาเราเราก็ไม่อาจจะกินหญ้าได้ ขณะดเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะให้หญ้าเป็นอาหารได้ น, นะใครมาขอแล้วอะไรนะตัดหญ้าให้เขาเหรอเขาเอาไปทํำอะไรหญ้าเรานี่ไม่มีแม้แต่งาไม่มีแม้แต่ข้าวสารหากยาจกมาหาเราเราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้าเอาเธอเราจะให้เนื้อในร่างกายของเราเนี่ยนะบางคนบอกโอ๊ยเกินไปมากเนี่ยนะ ก็สำโดนนะนะถ้าที่อื่นเนี่ยนะไม่รู้นะแต่ถ้าตรงนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบลู่เพราะถ้าลบหลู่ก็คือลบหลู่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเล่าแล้วก็เล่าอย่างนี้ไม่ใช่เล่าที่เดียวเห็นนะมันเล่าอีกหลายที่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าใครลบหลู่ก็หมายถึงลบหลู่พระพุทธเจ้าปุญบาปก็เป็นของเฉพาะตัวแปกว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะวิจารณ์ในแง่ความไม่เชื่อก็ไปวิจารณ์เรื่องอื่นไปก่อนวิจารณการบ้านการเมืองอะไรก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาถกอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่วิจารณ์ พุทธพจน์พราะถ้าวิจารณ์ด้วยจิตใจที่ดูมิ่นแล้วก็ลบลูมิจฉาวาจาอันนั้นนี่แหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะก็มีโยมบางคนเนี่ยนะที่มิจฉาวาจาเนี่ยนะวิจารณ์คําสอนพระพุทธเจ้าอยู่ไม่นานเนี่ยเป็นอมตพฤกไปเลยเนี่ยนะเป็นอมตพฤกอมภาตไปเลยแล้วก็ทั้งๆ ท, ที่นักกีฬานะตื่นเช้าออกมาวิ่งออกกําลังกายนะแต่ว่า เป็นคนที่ดูหมิ่นลบหลู่มิจฉาวาจาติเตียนคําสอนพระพุทธเจ้ามากในที่สุดก็โรคภัยก็มาเบียดเบียนตนตอนนี้ก็นอนขแหวขแมแหววอยู่นะพันธุ์พุทธอะไรก็ตามคําพูดใดที่วิจารณ์พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แสดงเอาไว้พันธุ์เราทําไม่ได้เราก็ปฏิเสธพระองค์ไม่ได้หรอกนะ สรุปว่าพระองค์ได้เล่าให้ภาษาริบตรฟังว่าเรานี่นอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักขินายะบุคคลว่าถ้าเราพึงได้ทักขินายะบุคคลเราจะให้อะไรเป็นทานานะของเหล่านี้เราก็ไม่มีคืองาเราก็ไม่มีถั่วเคียวก็ไม่มีถั่วเลื้งข้าวสารเปลียงแต่ละอย่างของเราเหล่านี้ก็ไม่มีเราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้าแต่เราก็ไม่อาจให้หญ้าได้นะ ไม่มีใครเอาหญ้าเป็นทานรอกแบบนั้นถ้าทักษินายะบุคคลมาสักท่านหนึ่งเพื่อขอในสำนักของเราเราพึงให้ตนของตนทักษินายะบุคคลจักไม่ไปมือเปล่าบทว่าทัตชาหังส ก, กมัตตานังเราพึงให้ตนของตนอธิบายว่าประโยชน์อะไรที่เราจะมัวคิดถึงเรื่องทยธรรม ไม่มีประโยชน์หรอกมัวคิดว่างาของเราก็ไม่มีทั่วเขียวก็ไม่มีทั่วเลื้ยงก็ไม่มีข้าวสารก็มีเปรียงก็ไม่มีจะเอาอะไรให้เป็นทานดีว่ากั้นโอ้ยไปคิดเสียเวลาว่ากั้นร่างกายของเรานี่แหละเป็นของที่ไม่มีโทษเป็นของสมควรเป็นอาหารบริโภคของผู้อื่นขณะเดียวกันร่างกายของเรานี่หาได้ง่ายไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่แล้วและไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นด้วยไม่ต้องไปคอยพึ่งคนอื่นให้คนอื่นเขาบริจาคให้ไม่ต้อง หากทักษินัยะบุคคลมามาหาเราเราจะให้ตนของตนนี้แก่เขาเป็นทานเราไม่ไม่ให้เขาเนี่ยไปมือเปล่าพระมหาบุรุษปริวิตกคิดถึงสภาพตามความเป็นจริงท่านคิดจริงนะไม่ได้คิดเล่นๆ น, นะท่านคิดด้วยจิตใจที่ที่มั่นคงอย่างแท้จริงด้วยอนุภาพของความตรึกนั้นความคิดอันนี้ยิ่งใหญ่มาก ทำให้ปันดุกรรมพลศิลาอาจของเท้าส ก, กะแสดงอาการเร่าร้อนแข็งกระด้างขึ้นมาเท้าเธอรำพึงอยู่ว่ารำพึงอยู่ก็เห็นเหตุก็คิดว่าเราจะทดลองพยากรตายก็แปลงเพศเป็นพรามอยู่ในที่อะนะแปลงเพศเป็นตพรามแก่คนหนึ่งเดินไปถึงที่อยู่ของนาคไปประทับยืนอยู่ก็ถามนาคว่าอะนะเมื่อนาคถามว่าท่านพรามท่านมายืนอยู่เพื่ออะไร ท้าวศักกะก็ตอบว่าหากเราได้อาหารสักอย่างเราจะรักษาอุโบสถบำเพ็ญสมณธรรมหน้าก็ตอบว่าสาธุเราจะให้อาหารแก่ท่านอย่างข้อความในชาดกพระพุทธเจ้าตรัสว่าลูกน้ากล่าวว่าปลาตะเพียนของเรามีอยู่เจตัวเพิ่งเอาขึ้นมาจากน้ําไว้บนบกท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามีสิ่งนี้แลเชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดเนี่ยนะ พรามก็บอกว่าอรอไว้ก่อนจะรู้ในภายหลังเดี๋ยวตอนหลังค่อยว่ากันแล้วก็เข้าไปหาสุนั ก, กิ้งจอกเข้าไปหาลิงสัตว์เหล่านั้นก็ต้อนรับด้วยทยธรรมที่ตนมีอยู่เท้าสากาก็บอกว่าจงรอก่อนดังที่พระองค์ตรัสว่าเนื้อย่างสองชิ้นเฮียหม้อนมส้มของคนเฝ้านา น, นูนซึ่งข้าพเจ้านามาเป็นอาหารกลางคืนท่านพราม ข้าพเจ้ามีอาหารอย่างนี้แหละเชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดลิงก็บอกว่าผลมะม่วงสุกนะน้ําเย็นสถานที่น่ารื่นรมย์เย็นสบายท่านพรามข้าพเจ้ามีอย่างนี้เชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดทีนี้พรามก็บอกว่าอาจงรอไว้ก่อนเดี๋ยวจะรู้ในภายหลังพรามนั้นก็เข้าไปหาสสบัณฑิตคือพยาการตายสสบฑิตก็ถามว่าท่านมาเพื่ออะไรพรามนั้นก็บอก เหมือนอย่างนั้นเห็นไนก็คือบอกว่าอะไร